ร้องไห้เด็กร้องไห้พร้อมด้วยกำมือแน่นเป็นสัญลักษณ์ว่าเขาเกิดมาเพื่อจะลวงเหนี่ยวยึดถือแต่เมื่อจะหลับตาลาโลกนั้นทุกคนแบมือออกเหมือนเตือนให้ผู้อยู่เบื้องหลังสำนึกและเป็นพยานว่าเขามิได้เอาอะไรไปได้เลย